ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสมาธิและสัมมาสมาธิตอนที่หโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่หเมษ า, ายนพุทธศักราช2533เนื่องใน ง, งานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่14นณพุทธสถานสาลีอโศกอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์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 อาตมาจะขอเท้าความสูตรเมื่อวานนีน้นิดหนึ่งสมุคสูตรนะไม่ได้บอกชื่อสูตรไม่ไม่ได้บอกจะเล่มพระเถรปิฎกแต่และเล่มที่สูตรเหล่านี้มามาจากอะไรอะไรบ้างอาตมาไม่ค่อยได้บอกเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยทบทวนไล่ไปตั้งแต่ ต้นไปเลยเนาะมีกี่สูตรกี่สูตรมาจากเล่มไหนข้อไหนสูตรไหนค่อยๆทบทวนกันแต่ตอนนี้เอาสูตรทบทวนสูตรทีนี่ซะ ก, ก่อนสูตรสมุคสูตรนี่นะที <c oughs> ่อยากจะทบทวนเพราะว่าจะได้ไม่สับสนแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายๆเข้านะ คือที่บอกว่าอธิจิตที่กำหนดอย่างถูกต้องตามสภาพถ้าพูดได้กำหนดตลอดการตามการคือทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตามวาระที่เราควรจะได้ทำถ้าเผื่ว่าทำไปอย่างเดียวเน้นแต่อย่างเดียวไม่มีอยู่สามสามสามนิมิต สมาธินิมิตปักขหานิมิตอุเบกขานิมิตประจําง่ายๆว่าสมาธินิมิตนั้นหมายถึงว่าการทําสมถะการอยู่ในผวังในภพสมาธินิมิตถ้าใครทำแต่อย่างนั้นอย่างเดียวท่านเปรียบว่าเหมือนการเราจะช่างทอง ที่จะที่จะหลอมทองเนี่ยแล้วก็เอาแต่จุดไฟสูบถ้าเผื่อว่าเอาแต่สมาธินิมิตพญานาคมาสูบทองเอาแต่เอาแต่สูบทองเร่งไฟก็แน่นอนทองมันจะไหมทองจะไหมจาเป็นสมาธินิมิต จำง่ายๆก็เอาแต่นั่งหลับตาวางงั้นเถอะส่วนปักขันนิมิตนั้นเอาแต่คิดมีความบากบันภาคเพียนขยันเอาแต่คิดเอาแต่แตแตฟุ้งซ่างก็จะได้แต่ฟุ้งสร้างส่วนสมาธินิมิตนั้นก็จะได้แต่เกียรคร้านทองจะไหมเนี่ยหมายเขาว่าจะได้แต่เกียรคร้าน นี่ท่านบอกไว้ชัดนะจะได้แต่เกตคราสส่วนจะเอาแต่คิดจะเอาแต่ขยัน เ, เรียนพูดถึงแง่ง่ายๆก็เป็นปักขหะก็เหมือนกับมหายานสมาธิก็เหมือนเทระวา่าสมาธินิมิตก็เหมือนกับพระปาปักขหะก็เหมือนกับพระบ้านเราจะ ต, ตั้งโรงเรียน เอาแต่อสอนเอาแต่เรียนเอาแต่คิดเอาแต่ปรุงมันก็จะได้แต่ฟุ้งซ่านส่วนอุเบกขานันมาแปรเอาแต่วางอุเบกขาเอาแต่วา ง, อ, า อ, วางอะไรมา ก, ก็วางวางวางพวกนี้ตื้นาวางนี่จะเอาแต่วางวางวางนี่ตื้น พอจะวงวางวานี่จะไม่สามารถที่จะบรรลุสิ้นอาสวะจิตจะไม่ตั้งมั่นจะไม่เป็นสมาธิได้ซ้ําพวกนี้เนี่เอาแต่วางวางวางวางเนี่ยนะเป็นเหตุให้เครื่องให้เป็นเหตุเครื่องให้จิตไม่ตั้งมั่นเพื่อความสิ้นอาสวะโดยชอบเพราะเอาแต่วางเอาแไม่มีรายละเอียดรู้เปรียบก็เหมือนกับ จะหลอมทองเนี่ยแล้วไม่พินิจในเพ่งพินิจ ด, ดูเสมอเสมอไม่ตรวจตราพินิจเนี่ยวตราไม่ตรวจตราเสมอเสมอไม่ดูแลวดูอีกไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาในความลึกซึ้งในส่วนเหลือส่วนได้ส่วนอะไรเป็นอะไรจะทำให้เกิดประโยชน์คุณค่าอะไรถูกต้องหรือไม่ ไม่เพง่งไม่พินิษย์อะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยไม่มีทางอันนี้หละชัดเจนมากเลยว่าสมาธิใดๆกันแล้วแต่ถ้าไม่พยายามที่จะเรียนรู้ไปจน ก, กระทั่งถึงรูป<ม>นามขันห้าไม่รู้ว่าเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรจนรู้สภาวะจริงๆ ว่ามันงานบทบาทของปรมตัตต์บทบาทของจิตเจตสิกต่างๆพวกนี้เป็นยังไงแล้วก็กินเลสมันก็ย่อมเกิดที่จิตเจตสิกนี่แหละแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเลือยยาบกลางละเอียดอย่างไรสายไหนต้องรู้รูป ร, ร, รู้นามมันอย่างชัดเจนโดยอาการลิงคะนิมิตอุเทศคือคำที่ชี้ข้อกล่าวขึ้นมาอธิบายกันอยู่นี่ละอุเทศ ฟังไปแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติจริงๆก็ดูอาการลิงคะนิมิตนั่นแหละมันสอดคล้องตรงกับที่เราเรียนหรือเปล่ามล้วถ้าบอกว่าจะเอาแต่เป็นพระบ้าทเอาแต่เรียนเอาแต่คิดเอาแต่ขยันหมั่นเพียรอย่างจะทำงานทำงานแบบที่เขาทำกันแล้วนะโดยที่ไม่ได้พยายามรู้จิต สมาธินี่จะรู้ความเป็นอธัธิความเจริญโดยเฉพาะกับจิตมันก็จะมีแต่ทองก็จะมีแต่มันจะเย็ น, นเหมือนกับเอาน้ำพรมก็าจะเย็นเย็นฟังฟังดูแล้วอย่างที่ตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนี้แล้วว่ามันกลับที่จริงมันมีแต่ร้อน น, นะนะแต่ว่าทองนี่กลับจะเย็นคือมันไม่เกิดอะไร จะหลอมทองแล้วทองมีที่เย็นเย็นเอาแต่น้ําพรมไฟก็ไม่สูบแล้วมันจะไปทําละลายทองก็ไม่ออกทองมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรไม่เกิดผลอะไรจะเกิดแต่ความฟุ้งซ่านไปซ้ํำโดยตรงก็จะเกิดความฟุ้งซ่านมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความไม่เป็น มีแต่แถมกิเลสนะว่าจริงๆมันไม่ไม่ไม่ได้มีการลดละกิเลสอะไรได้นะอุเบกขานั้นก็อุเบกขานิมิตก็มีแต่วางวางวา ง, วางแบบเซนอย่างที่ว่านะั้นเป็นแบบเซนอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอนะวางเฉยไม่เกี่ยวเอาแต่เฉยอนะทําจิตแว่างว่าว่างว่า ง, นะางตรงนี้ ไม่ไม่เรียนรู้หรอกจิตไม่ตั้งมัน่นไม่มีการเป็นสมาธิก็ไม่เป็นแข็งแรงอะไรตั้งมัน่นอะไรได้ก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นยิ่งความสิ้นอาสวะเราไม่ต้องไม่พูดถึงเลยไม่รู้ว่ากิเลสหยากเป็นอย่างไรกิเลสกลางเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นอนุสัยเป็นอาสวะเป็นอย่างไรไม่ได้เรียนรู้เลยแต่หลงว่ามันว่างนะหลงว่ามันวา ง, ง, วา ม, วางมันเบามันง่ายเนี่ย สายนี่ก็สายตักศาสตร์เนสายเขาเรียกเขาดูไม่จะเป็นหมาเขาเป็นสายปัญญานมีพระป่าสายไหนล่ะพระป่านพระบ้านสายไหนล่ะพระบ้านพระบ้า น, นสายปัญญาสายไหนล่ะปัญญา นั่นแหละสายชัดๆอย่างนี้มีอยู่ทั้งนั้นในตัวอย่างสำนักไหนไหนคณะไหนไหนขณะนี้ในเมืองไทยก็มีทั้งสามสายนีเพราะเราเราต้องเอาหมดทุกสายนีน่เข้าหาว่าเรานี่สายศีลก็เรานี่สายศีลเนาสายศีลก็สายศีลเพราะงั้นก็ต้องให้ชัดเราสายศีลเราปฏิบัติให้เป็นสมาธิหรือเปล่า ปฏิบัติแล้วมีปักหะะมีความภาคเพียรบากบันหรือเปล่าและก็มีการปล่อยการวางหรือเปล่ารู้จักอุเบกขาจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เอาแต่อุบกขาหรือว่าวางล้มหลวมอะไระอาทีนี้ก็เอาอีกสูตรหนึ่งนะ สูตรนี้แยกสมาธิให้ฟังอีกชัดนะสังคีติสูตรนะมาจากพระตถาปิฎกเล่มอะไรก็ไม่รู้ทีขณิกายจะเป็นเล่ม10หรือเล่ม11 เ, เล่ม11เนะเล่ม11ทีขณิกายปาติกวักนะเล่ม11บเ เอาตรงสมาธิภาวนาสี่นะลองฟังดูจะชัดชัดท่านบอกว่าสมาธิภาวนาเนี่ยมันมีหลายลักษณะดูก่อนพิุดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายนะสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐ ธ, ธรรมมีอยู่ หมายความว่าสมาธิภาวนาที่ได้พยายามฝึกฝนอบรมเนี่ยมันจะเกิดผลเพื่อความเป็นอยู่สุขในปัจจุบันเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏธรรมอย่างนี้ก็อันหนึ่งมีอยู่ในความทำสมาธิเพื่อความสเสวยสุขสเสวยระ ง, งับสเสวยอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็มีอยู่แล้วทําไปเยอะแยะไปพวกที่ทําสมาธิเพื่อความ สบายดูกรภิกษุสองดูกรภิกษุผู้ดูกรผู้มีอายุไม่ใช่ภิกษุดูกรผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะได้ปัญญาสมาธิที่ทำให้เกิดเรื่องปัญญาได้ปัญญามีอยู่ 3. ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะมีอยู่อันนี้ให้เกิดสติให้เกิดความตื่น 4. ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย มีอยู่นที่สี่นี่โลกุตระแท้ๆอนทนนี้ฟังคําอธิบายต่อดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอย่างไหนที่ภิกษุอบรมแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมเป็นสุขในทิฏฐธรรมคือทำให้เกิดฌานฌานเนี่ยเป็นสุขฌานนี่เป็นสุขคงสมุนทะทำอย่างไร แบบไหนที่ว่าทําเป็นฌานเป็นการอาศัยให้เป็นสุขในปัจจุบันถ้าเป็นถ้าทำสมาธิอย่างนี้ก็เป็นสุขอยู่ในขณะที่ทําสมาธินั่นแหละดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมะเป็นธรรมเอกพุทขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในรธรรมวินัยนี้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะสันเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขานะในเริ่มต้นมาถึงตติยฌานนี่ท่านบอกว่าจะเริ่มต้นจะเป็นผู้มีอุเบกขาเข้าไปหาสภาพวางเฉยแล้วมีสติอยู่เป็นสุขด้วยก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุถชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับส ม, มนัตโท ม, มนัตก่อนได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้อันภิกษุอบรมแล้วทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นอยู่สุขในทิฏธรรมเป็นอยู่สุขในปัจจุบันนะอันนี้ที่จริงก็หมายถึงสภาพสมาธิที่เข้าไปอยู่ในภวังนะมากกว่านะถ้าเราเข้าใจเป็นพุทธก็ได้ก็คือทำให้ สภาพของความวุ่นวายความเกี่ยวข้องกับอะไรมันหายไปแบบกระสิน อ, อย่างที่อธิบายในชั้นชั้นชั้นามชั้นนี่แบบทั่วไปเลยอธิบายมีวิตกวิจารแลวก็มีปิติมีสุขอะไรเนี่ยอย่างที่เราพูดกันมีอาการที่ จดจ้องลมหายใจเข้าออกหรือจะเป็นกระสินเป็นอะไรเพ่งเข้าไปแล้วก็สระ ง, งับระ ง, งับระ ง, งับระ ง, งับจนกระทั่งมีปิติจนกระทั่งมันระ ง, งับเข้าไปอีกมีแต่สติรู้อยู่จนกระทั่งเข้าสู่ฌานสามอะไรนี่ก็สูบอุเบกขาวางเฉยได้จนสุดท้ายบรรลุจตุทัชฌานฌานที่สีไม่มีสุขไม่มีทุกข์ อะไรพิจารณาให้นิ่งดิ่งอยู่กับความกำหนดของเรานั่นแหละอย่างนี้ก็เป็นสุขท่านเรียกว่าสุขโดยทิฏฐธรมิหาสุขด้วยความสงบระงับเป็นวิเวะเป็นอุเบกขาเป็นวิเวะความสงัดสงบนี่สมาธิภาวนาชนิดที่หนึ่งชุดชนิดที่สองดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งญานทัศนะเป็นเชนไหนดก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มณสิกาตอโลกสัญญาแสงสว่างอโลกะสัญญ า, า, สสาอาโลกสัญญ า, ญญาตั้งสัญญาว่าเป็นกลางวันไว้กลางวันอย่างใด กลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างใดกลางวันอย่างนั้น <c oughs> มีใจเปิดเผยไม่มีอะไรห่อหุ้มอบรมจิตให้มีแสงสว่างด้วยประการชนนีด้ดูก่อนผู้มีทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความได้เฉพาะซึ่งยานทัศน ะ, ะเป็นผู้ที่จะพยายามพิจารณา พิจารณาอาโลกะสัญญาคือการกําหนดนาการกําหนดรู้แจ้งกัรู้ไม่แจ้งอะไรมันไม่ชัดอะไรมันชัดอะไรมันจะยังมืดมัวจะไปหมายเอากลางคืนกลางวันเป็นกลางคืนกลางวันเฉยๆพาซื่อเป็นแบบหมาครุกชั้นเดียวเป็นผยัญชนะอยู่ก็ไม่ได้นะ มาคว่าอะไรมันชัดอะไรมันไม่ชัดอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงมันมีอะไรเท่าที่จะตรวจสอบอยู่ได้มีการใช้สัญญาการกำหนดหมายรู้โลกรู้สภาพที่เราจะอยู่ในภพในภูมินั้นอะไรมันมีอะไรปรากฏอะไรเกิดกรมณสิกการก็พยายามอ่านรู้เรียนรู้ใจมีการใช้สัญญากำหนดตรวจสอบกำหนดรู้กำหนดรู้กาหนดรู้ นี่เรียกว่าทำสมาธิบางสายนี่นะนั่งหลับตานี่แหละอย่างนี้นั่งหลับตาเข้าไปในผวังแล้วก็ใช้สัญญากําหนดบางสายถือว่าอย่างนี้เป็นวิปัสสนาถ้าอย่างอันแรกถือว่าเป็นสมถนะเนีเป็นสมถะนั่นก็สงบรงงับก็เป็นสุขอันที่สองนี่บางสายนี่เขาทำอย่างนี้ลักษณะนี้เขาเขาว่าอย่างนี้วิปัสสนาก็จริง หมายความว่ามันเห็นมันรู้มีสัญญากำหนดความจริงตามความเป็นจริงแต่มันก็อยู่ในภพมันก็ได้อยู่ในภพก็เกิดเกิดญาณทัศนารกเกิดปัญญาความรู้จริงเป็นจริงที่เกี่ยวข้องอยู่ในภพอยู่ในจิตเจตสิกที่มันเกิดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นปัญญาเดี๋ยวนั้นเป็นสัญญาแต่ไม่เป็นสังขารไม่ได้มีสังขารไม่รู้จักสังขารไม่ได้ไปปรุงสังขารไม่ได้ไปปุงอะไรเป็นสมาธิแบบที่สอง ทีนี้ที่3ดูก่อนภิกษุผู้มีอายุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัพพัญญะเป็นชนไหนนะอันนี้จะเกิดสติสัพชัญญะอันที่หนึ่งเกิดสุขอันที่สองเกิดปัญญาอันที่สเกิดสตินะย่มมอมท่าวันนี้จะสติจะเด่นนะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเวทนาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู้แจ้งแล้วอันนี้มันเน้นเวทนา อันที่สองนนเน้นสัญญาอันที่หนึ่งนั้นอยู่กับความเป็นหนึ่งวิเวไปนะสงบไปในะสมถะแท้อันที่สองนั้นมีสภาพกำหนดรู้มีตัวรู้ตัวพิจารณารู้นะมีกำหนดรู้ มันมีการเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็ปรุงความรู้มันมีปัญญาที่ตรวจสอบแต่เป็นความรู้ที่เขาว่าเป็นสภาพในจิตเป็นการรู้ในจิตจิตเจตสิกอะไรต่างๆก็จากที่วิเคราะห์ไฟังแลนะ้วแหละว่าสายนี้มันเหมือนกับลักษณะเขาเรียกว่าวิปัสนาแต่อยู่ในพบเนี่ยอยู่ในพวงังอันแรกอยู่ในพบมนกันแต่อันนั้นอยู่พวกสมุท ทีนี้อันที่สมนี้เอาเวทนาเป็นหลักเวทนาคือความรู้สึกไม่ใช่ตัวกําหนดรู้นะตัวอ่านอารมณ์เวทนาในตัวอ่านอารมณ์ส่วนสัญญาในตัวเพ่งอ่านเพ่งกําหนดรู้อันที่สองอันที่สมนี่อ่านอารมณ์อ่านอารมณ์รับทรา บ, บอารมณ์ของพุทธนี่รู้หมดทั้งนั้นนะ ของพนี้ต้องรู้หมดทั้งนั้น1ก็ตาม2ก็ตามสก็ตา ม, ต, ามต้องรู้ให้ละเอียดแล้วก็ต้องเป็นถ้าเป็นจะมีความชํานาญในแง่เชิตงต่างๆอย่างดีเราจะได้ประโยชน์อาศรรัยนะได้ประโยชน์อาศรรัยและอนุเคราะห์อุปการะนะอ้นี่สาเวทนาทั้งหลายอันติสูในพระธรรมวินัยนี้รู้แจ้งแล้วคือรู้อ่านอารมณ์เวทนาความรู้สึกให้รู้ให้ออกทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนา อุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาอะไรนี่อ่านให้ชัดย่อมบังเกิดขึ้นรู้แจ้งแล้วย่อมตั้งอยู่รู้แจ้งแล้วย่อมถึงความดับเพราะฉะนั้นเวทนามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่านอารมณ์อ่านความรู้สึกนั้นรู้แจ้งแล้วย่อมถึงความดับสัญญาทั้งหลายอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู้แจ้งแล้วย่อมบังเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่ย่อมถึงความดับ พิดตกทั้งหลายอันพิกษุในพระธรรมวินัยนี้รู้แจ้งแล้วย่อมัเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่ย่อมถึงความดับดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสมาธิภาวนานี้อันพิกษุอบรมแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปพัญญ ะ, ะก็รับทรับสั บ, สาบอารมณ์รับรู้สึกรับรู้ความจริงสัญญาการกําหนดรู้ การใช้เวทนาอาการอับซับซับอารมณ์นั้นนะก็ใช้สัญญาซ้อนอยู่สัญญาซ้อนรู้อารมณนะ์รู้ในสภาพนั้นไม่ได้มีปรุงจะเห็นได้ว่าในนี้ไม่ได้ใช้สังขารเลยนะมีแต่เวทนาสัญญาก็กำหนดรู้ซ้อนเวทนาทั้งหลายแล้วก็เห็นความจริงตามความเป็นจริงแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะ วิตกคือความนึกคิดอยู่เหมือนกันหนึ่งนึกคิดนึกคิดทั้งหลายที่มันนึกมันคิดอะไรอันพิกษุนทำไไหนนี้รู้แจ้งรู้แจ้งการรู้แจ้งนั่ น, นเกิดขึ้นก็รู้แ ล, แล้วตั้งอยู่ก็ผ่านไปนทาไม่ตื่นอยู่กับเจตสิกทั้งหลายจะว่าไปแล้วก็เจตสิกแล้วก็มีการรับรู้อยู่กับเจตสิกทั้งหลายเน่ย อย่างนี้จะเกิดความตื่นอยู่หรือมีสตินะมีสติสัพชัญญาทีนี้อันที่4ดูกนผู้มีอายุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาที่ภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเป็นชนะ่นไหนอันนี้เป็นอันที่โล ก, กุตระแท้นะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งสมอย่างนั้นเราจะไม่รู้เรื่องสับสามอย่างนั้นเราก็พึงใช้ประกอบในอันที่สีนี่อย่างอันที่สองเกิดยานทัศนะเราก็ต้องใช้ประกอบถึงจะเกิดอันที่สอันที่สมใช้เวทนาใช้สัญญาใช้วิตกเราก็ต้องใช้จึงจะเกิดอันที่สนีอันที่หนึ่งนั้นนะ่ะมันเป็นสมถะโดยตรงตัวสุข วิหารธรรมซึ่งมันผ่านคนแหละถ้าทำฌานเข้าผวังทาไปเงี้ยมันก็ต้องผ่านทุกคนอันอย่างนั้นทำไมงั้นมันเป็นสภาพที่สู่สภาพเป็นสมาธิหรือเป็นฌานมันสู่สภาพนั้นก่อนแล้วมันจะมีสภาพในระดับที่สองในระดับที่สามที่เกิดยานทศนะที่เกิดสติอันมั่นคงแข็งแรงเนี่ยสติไม่มั่นคง สติไม่มันคงแข็งแรงไม่ได้จะทำงานถึงขั้นที่จะเกิดญาทณทัศนะหรือยิ่งอันสุดท้ายเนี่ยเกิดองค์ประกอบที่จะช่วยให้มีสภาพถึงขั้นโลกุตระละอุปทานไปด้วยเนี่ยอุปทานขั้นห้านี่ถ้าไม่มีสติสัพชัญญะอย่างแข็งแรงตั้งมั่นนะมันมันทำอะไรไม่ค่อยได้ผลหรอก ดูก่อผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันหนะ้าอันที่4นี้ว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปนะอะไรที่เราจะรู้ถ้ายิ่งจิตเจตสิกแล้วมันก็จะมีสภาพที่เห็นสภาพสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปนะ แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเพราะฉะนั้เราจะไปพาซื่อว่ารูปก็คือมหาพูทธรูปข้างนอกดินน้ำฝ่ายลมตอนนี้ฌานหรือว่าเข้าสมาธิหรือว่าทำสมาธิอย่างนี้แล้วจะมันไอ้นี่มันจะดับไปมันจะดับย่าไงยังไงมันจะไม่ทันตายแล้วจะบอกว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดเราเห็นแล้วมันตั้งอยู่อยู่ว่าดับไปยังไม่ดับเพราะงั้นอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะเราจะต้องรู้ว่า รูปสิ่งที่ถูกรู้นั้นนขะั้นนามมาทําขั้นจิตเจตสิกแล้วจะเห็นอะไรที่ถูกรู้มันก็ให้รู้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่ในช่วงระยะหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปดับให้เห็นได้ส่วนที่เราต้องการจะดับโดยเฉพาะกิเลสเราก็จะเห็นว่ามันดับแล้วมันก็ดับสนิทมันไม่มีอีกส่วนจิตเจตสิกที่บริสุทธิ์นั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะที่เรามีรูปนามขันธ์หอยู่ มันก็ยังจะมีอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อใดพิจารณาว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องสันตติต่อเนื่องมันยังไม่ได้ดับศูนย์เพราะฉะนั้นจะบอกว่าถึงความดับถึงนิรุธนิรุธทธาหรือถึงนิโรดดับแล้วมันยังไม่ดับฟังตรงนี้ชัดๆนะเพราะคนยังเป็นเป็นอยู่จะพิจารณาในผวังจะปริเนาในการเตมตื่นลืมตารู้จักสัมผัสอะไรอยู่นี่ก็ตาม เราไม่ได้หมายว่าดับนั่นนะเป็นดับเอารูปนามขนาันห้าไปดับเอาเวทนาไปดับเอาสัญญาไปดับเอาความรู้สึกไปดับเอาความรับรู้อะไรไม่ใช่นี่มันชัดชัดอย่างเงี้ยทำไปงั้นแล้วก็เพียงเราจะดับสิ่งที่เจตนาจะดับอุปทานก็ดีตันหาก็ดีกิเลกก็ดีอารมณ์อาการสิ่งที่เป็นอกุศลอะไรที่มันไม่ดีทั้งนั้นนะโกรธโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นในภายในจิตรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็คือรู้มัน อาการนั้นให้ชัดนิมิตนั้นให้ชัดว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็จะเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทีทีท่นี้ทำให้มันเกิดได้น้อยไม่เกิดอีกจนกระทั่งมันไม่เกิดเลยมันดับสนิทนิโรธหรือนิรุ ธ, ธาดับจนไม่เกิดเราก็จะเห็นความดับเห็นความไม่เกิดอีกอรหัตผลก็อยู่ที่มันไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิด มันก็ชัดแล้วนี่นิโรธเดี๋วนั้นแหละเมื่อใดก็เมื่อนั้นทําให้ต่อเนื่องอยู่นานเท่าใดก็เท่านั้นยิ่งอยู่ในทุกอิริยาบถยืนเดินนังน่งนอนไม่มีอุปทานในขันห้าอย่าจะไปตีคลุ้งว่าอุปทานขันห้าคือดับขันห้านะดับขันห้าก็ตายไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสัางขารวิญญาณแล้วมันก็ตายก็เอาไปเผา ถ้าพาซื่ออย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะงั้นไปเป็นดับต้องเวทนาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยทุกวันนี้อทําทสมาธิทําฌานหรือว่าจะทำมิมุติทําฌานฌานลืมตาหลับตาอะไรก็ยังพูดกันๆพอเป็นพอไปนะแต่พอถึงสัญญาเวทนาที่เป็นภาษาที่เอามายืนยันได้เลยนะวันในพระไตรปิฎกได้จะกล่าวอย่างนี้นะสัญญาจะเวทนาจะนิรุธาโหติดับก็ก็แปลว่าดั บ, ดบย่อมเกิดการดับ ดับสัญญาดับเวทนาเลยมันก็พาซื่อมือถือไปเลยก็เป็นการดับไม่รู้เรื่องอสัญญานีวันนี้จะระดับแล้วก็เราจะรู้แล้วก็จะรู้ว่าเห็นอะไรดับรู้อะไรดับนี่ตั้งแต่เริ่มต้นถัดเป็นรูปนีสิ่งที่ถูกรู้นั้นดังนี้เกิดดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้ ดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับแห่งเวทนา น, นี่นภาษานี้บอกก็ดับเวทนาอีกแหละเดี๋ยวจะมีอีกสูตรหนึ่งได้จะรู้ว่าอะไรดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดังนี้ความดับแห่งสัญญาที่ภาษามันพาซื่องเงี้ยแต่เสร็จแล้วจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าถ้าอย่างนั้นละมันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ไม่ได้อะไร ท, ที่อธิบายฟัง ดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ความดับแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดแห่งขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณวิญญาณอะไรที่ดับดับวิญญาณแล้วในขณะที่เป็นพระอรหันต์ยังเป็นเป็นอยู่นี่ดับวิญญาณอะไรวิญญาณผี วิญญาณอคุศสวิญญาณกิเลสซึ่งมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันอยู่กับจิตมันเหมือนกับจิตมันเป็นจิตมันก็อยู่กับจิตนะดับวิญญาณด้วยมันวิญญาณดับดังนี้ความมีอายุทั้งหลายสมาธิพวดานี้อันภิกษุอบรมแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะเราไม่ได้ไปที่เด็ด ดับภาซืออย่างนั้นดับภาซือที่เป็นดับสัญญาดับเวทนาที่นี้ตัวโรกุตระเนี่ยจะเรียนรู้ชัดเจนในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ด้วยรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปทานขันห้าจุดจิตอุปทานก็คือความที่ติดอยู่ยึดอยู่เกาะอยู่เราไม่ติดไม่ยึดและเราก็เรียนรู้อย่างพินิษเรียนรู้อย่าง มีอุเบกขานิมิตมีพินิจจังกะทั้งทำสมาธิจงกะทั้งถึงการวางการเฉยอุเบกขาอย่างไม่ใช่ว่าวางแบบตื้นๆบอกแล้วถ้าเพราะว่าเอาอย่างง่ายๆแล้วสมาธินิมิตก็คือไปนั่งเขาในภพแล้วก็เพง่งกสินว่างจิตไม่มีกิเลสนิวรนอะไรแต่สงบประงับไปทิ่สถับสนสกฤหารปักขะนิมิต ท, ที่ทาสุขวิหารนะว่างแต่จิตนั่นมันก็จะกลายเป็นจิตขี้เกียจปัจหานิมิตก็สภาพที่เรียนสภาพที่ฝึกฝนเรียนอย่างโลกโลกนะเรียนคิดนึกวิปัสสายวิปัสนาเหาืนันเถอะสายสม า, สมาธิเพราะว่าสมาธินิมิตก็สายสมาธถะสายปัจขหานิมิตก็สายวิปัสน า, นา เรียนกเกิดฟุ้งซ่านเป็นผลถ้าเดียวดี๋วไปเดีวเวไปในอันไหนอุเบขานิมิตรอะไรก็วางวางวางว่างเฉยเฉยวางเฉ ย, เฉ ย, เฉยอะไรก็เฉยเฉยเดอ้อจะไปเฉยเด้ออยู่ในป่าหรือจะเฉยเด้ออยู่ในกรุงก็แล้วแต่เถ อ, อะพวกนี้นะ่ยไม่มีความพินิษเสมอเนี่ยหไม่เกิดการสิ้นอาสวะไม่เกิดการตั้งมั่นอะไร สายปัญญาหวังมันเถอะเอาเขาว่าเขาปัญญานะที่ตัด ก, กะหาอะไรมาเป็นเครื่องเครื่องโบยโบ ย, โบ ย, โบยไปนะอย่างนี้มันไม่มีการเรียนรู้ม่นมีการลึกซึ้งมันไม่รู้จักอุปทานไม่รู้จักว่าอะไรจะดับอะไรจะอาศัยนะสมาทานกับอุปทานสมาทานคือช่วยเอาไวใ้ให้ต่อเนื่องเฉยเยแล้วเข า, มาไม่ติดยึดมัน่นอุปทานนะั่นช่วยไว้เลยยึดไว้ ไม่ปล่อยอุปทานอย่างที่ได้อธิบายฝแล้วแม้แต่ที่สุดเราเรียนรู้เข้าไปในทุกอย่างแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่ถูกรู้เขาเป็นรูปรูปที่เป็นปรมตัตแล้วที่รู้ยากเป็นนามธรรมมันเหมือนภาษามันปนนะนะว่า นามธรรมเอาไหนว่ารูปอะเรารู้นามธรรมแหละนามธรรมนั่นแหละอันนี้อธิบายอยู่ในคนคืออะไรจนกระทั่งคนงงอเอ๊ะทำไมต้องนามมันกลายเป็นรูปนามกลายเป็นรูปได้ไงทำไมพูดกลับไปกลับมานามกลายเป็นรูปว่างงั้นนี่แหล ะ, หละสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นนามธรรมนี่แหละมันถูกรู้เราเรียกมันว่ารูป จะเรียกว่ากลายมันไม่ได้กลายหรอกแต่ว่าสิ่งที่ถูกรูปถ้าแปลรูปว่าสิ่งที่ถูกรูปมันก็อย่างนี้ถ้าไปแปลรูปก็คือแต่มหาบูตรูปคือดินน้ำไฟลมอาตมาก็เลยตั้งขอสังเกตไ้ฟังว่าในขณะที่คุณว่าจะคุณก็ณจะเข้าฌานนงงั้นแล้วคุณเอาดินน้าไฟลมเขาเ้าไปใหญ่ อ, อยู่ในอารมณ์ได้ยังไงเอาดินน้ำไฟลมเข้าไปยัดเข้าไว้ในอารมณ์ได้ยังไงเข้าไปยัดไว้ในตัวนามาทำตัวจิตได้ยังไง จะไปรู้สิ่งจะขนาดที่นั่งอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็มีแต่าการรับรู้อย่างนั้นน่ะเพ่งรูปการ ม, ม, ม, มาเพ่งเป็ตัวทิศร่างกายข้างนอกนี่แล้วหมดแหละมันจะรู้กิเลส น, น่ะมันก็สับสนอย่างนั้ น, นเราได้ผ่านสูรตร อ, อาณ า, าปานาสติมาแล้วนะสูรตรที่บอกตั้งแต่ตอนแรกกายสังขาร นะเพลงลมหายใจนี่เป็นกายจสังขารกายลมหายใจออกลมหายใจเข้าเนะข่าสัน่นเข่ายาวอะไรนะักพยายามสร้างให้สติเกิดให้รู้ว่านี่มันการปรุงการประชุมนะลมหายใจบ้างมีนมามธรรมบ้างนมามธรทำเป็นตัวรับรูนะ้ตัวลมหายใจเป็นกายเป็นองประชุมที่ละเอียดแล้วละเนั่นเป็นจตุกะไม่ใช่เป็นจตุกะเป็น อ, อ, อะไรที่หนึ่งเป็น ทุเละทุละจตุกะที่หนึ่งเป็นจตุกะที่หนึ่งจตุกะที่สองเวทนาเวทนามีการรู้จักปีติสุขเป็นจิตสังขารอันแรกเป็นกายสังขารอันที่สองเป็นจิตสังขา ร, ท, าขารทันทีเป็นจิตสังขารทีนี้ก็ะเพ่งกระไปหาจิตอีกเป็นจตุกะที่3าะจตุกะที่สาม เป็นจิตทีนี้รู้จักเรียนรู้ถึงจิตนี่ก็ทําจิตนะทำจิตทําให้จิตมันเบิกบานร่าเริงให้มันยินดีในสิ่งที่ได้ดีบอกแล้วเมื่อเราต่อเนื่องมาจากเวทนามีปิติทิ่แปลว่าได้ดีดียังไงมาสงบยังไงอยู่ในระดับไหนที่เป็นจิตยินดีว่าถ้าเรามีเป้าหมายหลักว่าเราจะไม่ให้มันเกิดนิวรณ์ห เมื่ออารมณ์นิวรณ์5เราก็รู้เรียนรู้มีญาทณทัศน์ที่จะรู้อยู่ในความรู้ว่าในเวทนาสัญญานะเรากําหนดรู้มีความคิดนึกก็ยังได้นะปรุงแต่งวิตกก็ได้นะตั ก, กะวิตั ก, กะสังกปะอะไรก็ได้อยู่ในจิตจแต่แล้วอย่างไรจิตสังขาร น, นี้มันไม่มีนิวรณ์ เราก็พยายามรู้อารมณ์นิวรณ์กามคืออย่างนี้อารมณ์างนี้กามอารมณ์งนี้อารมณ์พยาบาทอารมณ์อย่างนี้อารมณ์ถินามิทะอารมณ์อย่างนี้อารมณ์อุทะจักุขุจักให้รู้ชัดอย่างนี้อะยังปีอารมณ์หรือว่าอาการหรือว่าลักษณะของวิจิกิจฉาจนกระทั่งพ้นไม่มีความสงสัยลังเลชัดเจนแจ้งเป็นสัจจิจกัณฑทั้งนั้นแล้วก็เพลงเรียนรู้จิตนั้นว่าทําจิตให้เป็น จะเป็นอภิปมุดทยางสมาธหั่งแต่แล้วเราก็ปล่อยอยู่วิโมททยางนอย่างนี้ก็จิตตานุปัสสนาจนกระทั่งทำอย่างนั้นแหละอ น, นิจนนจังอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรทานุปัสสีปฏินิสข า, านุปัสสีตามเห็นความจริงนั้นทุกอย่างแล้วว่าไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยเฉพาะเราจะให้กา ร, รพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจชาด้วยเหล่านี้แหละมันดับไปมันพ้นไปมันไม่มีมันไม่เหลือมันไม่เหลื อ, อหรือสรุปรวมเป็นจนกระทั่งถึงโลภโกรธหลงยังยากลางละเอียดเป็นอนุสัยเป็นอาสวะ ถลับตาก็ดูแต่จุดปัจจุบันนั้นถลับตาอยู่ในผวางถ้าลืมตาก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราอ่านจิตเป็นรู้อารมณ์จิตปรุงแต่งเป็นเวทนาเป็นอะไรมีรู้จากเวทนาสัญญาสังขารเป็นลืมตานี่มีสัมผสัสแต่ต้องมันยิ่งจะเกิดมากเกิดวุ่ว้าวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้มากกว่าจริงกว่าเพราะเป็นปัจจุบันนั่นเทียว สัพผัสอย่างนี้เกิดรูปลดกินเสียงสัพพัตเอาไม่สัก10ลา้านให้จริงๆนะจริงเออจริงๆสิบล้านเอาไหมไม่มีข้อแม้ใดๆสิบล้านเอ๊ะทำไมพระจันทร์มันตกลงมาใส่มืออย่างนี้จริง ๆ, ๆนะเลยเหรอใจมันจะหวั่นไหวไหม อยู่ดีๆให้ยัส1บล้านเอาเพชร ง, งามๆไม่ให้เม็ดเราเ็าไปใช้แล้วนะเพชรนี่แต่ไม่ใช้ก็เอาไปขายได้นะแน่ไปน่นเลยมันจะอยากได้ไมั้ยเอาไปให้ท่านซื้ออุปกรณ์นี่ศาลาช่างท่านก็ยังสร้างไม่เสร็จยังไม่ได้สร้างอะไร มันลองใจเราสารพัด ส, สารเพและมันขี้โลภมันจะโลภเกิดไหมมันจะโกรธไหมมันจะหลงยังไงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีสัมผัสแต่ต้องเรื่องราวอะไรต่ไๆมากมายสารพัด ส, ส, ส, สารเพนั่นแหละเราเดินจะเป็นผู้ที่จะมีพินิษเสมอเสมอเสมอถึงจะสิ้นอาสวะได้นะไม่ใช่เอาตัวอะไรก็วางอุเบกขา มีแต่อุเบกขานิมิตรอะไรก็ว่างวา ง, วางไม่มีทางที่จะสิ้นอาสวะได้เราต้องเข้าใจความหมายที่พุทธเจ้าท่านหมายให้ดีๆนะทำอย่างไรถูกทําไมต้องปเดชก็บอกว่าต้องทําจิตให้เป็นอุเบกขาปเดชก็บอกว่าแต่อุเบกขานิมิตไม่สิ้นอาสวะนีวก็ยุ่งกันใหญ่นะทำจิตให้ถึงอุเบกขาฐานนั่นแหละแต่ไม่ใช่ทําอย่างใจวาง ต้องหมายว่าอุเบกขานนมิตรคือทำอย่างมิแต่วางอะไรก็วางก็ปล่อยก็วางก็ปล่อยเราจะเข้าใจสภาพเพรยงเท่าอะไรก็ว่างอะไรก็วางอะไรก็ไม่เอาอถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่จะแข็งแรงตั้งมั่นแล้วก็ไม่มีทางที่จะสิ้นอาสวะแต่ถ้าทาถูกต้องเลยนัเรียนรู้มีสัญญาเวทนาเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาอ่านเพลงพินิจให้รู้มีรรมวิจัยสัมโพธชง รู้กิเลสล้วรู้สิ่งที่ไปสังขารแม้ที่สุดเป็นปุญญาพิสังขารสังขารเพื่อชําระการปรุงแต่งเพื่อชําระปุญญาพิสังขารปุญญานสัเป็น ก, น ก, นการชําระชําระไอ้สิ่งที่เราจะดับดับได้ชําระได้จริงๆอย่างนั้นแหละมันถึงจะสมบูรณ์อลองฟังภาษาที่วิเคราะห์ไว้อีกชัดอีกสองอันนะ นาวิสาขาตอนนี้เนี่ยอันนี้ในจุ ล, ลเวทัลสูตรนในปฏิปิตอกเล่มสิบสองเรื่องสมาธิและสังขารน น, นาวิสาขาบอกว่าค่าแต่พระแม่เจ้านไปนาววิสาขาไปถามภิกษุณีธรรมทินนาภิกษุณี ถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าก็ธรรมะอย่างไรเป็นสมาธิธรรมเหล่าใดเป็นนิมิตของสมาธินะธรรมเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิการทำให้สมาธิเจริญเป็นอย่างไรธรรมทินานาภิกษุณีก็ตอบว่าดูกวิสาขาผู้มีอายุ ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวเราเรียกอย่างเดียวหรือยอย่างหนึ่งความมีจิตอารมณ์เป็นหนึ่งหรือเป็นอย่างเดียวเป็นสมาธิสติปัฏฐานสเป็นนิมิตของสมาธิสมปทานสเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิความเสพคุณความเจริญความทำให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นแหละเป็นการทำให้สมาธิเจริญนะ ภิกษุณีก็ตอบบอกว่าอะไรธรรมะอย่างไรนเป็นสมาธิธรรมเหล่าใดเป็นนิมิตธรรมสมาธินะทำเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธินะ<ม>แล้วก็การทำให้สมาธิเจ ร, ริญทำอย่างไรเป็นอย่างไรนะท่านก็ตอบบอกว่าความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือเป็นอย่างเดียวเป็นสมาธิ เราทำให้จิตมันสะอาดบริสุทธิ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรอยู่ในเรื่องราวนั้นอย่างสมบูรณ์ที่ตอบอย่างพุทธนะอันนี้ตอบอย่างพุทธหมดภิกษุณีตอบไม่อย่างพุทธไม่ใช่สมาธิอย่างฤๅษีแล้วนะสติปัฏฐานสเป็นนิมิตของสมาธินะสติปัฏฐาน4ี่เป็นเครื่องหมายกายเวทนาจิตธรรมนะ่ยทั้งหมดสมาปัฏฐานสี่เป็นเครื่องอุดหนุนนะ เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิความเสพคุ้นความเจริญความทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นแหละเหล่าไหนกันแล้วแต่ธรรมะเหล่านัน ท, าา น, นที่ทาทุกเหล่าสติปัฏฐานสี่สมปทานสีเป็นการทำให้สมาธิเจริญความจริงก็เท่านั้นแหละก็สติปัฏฐานสีสมปทานสีนั่นแหละเป็นตัวหลัก มีอิทธิบาทสี่ก็เป็นตัวหนุนเป็นตัวแรงเป็นตัววิริยะอุสาหาเป็นตัวภาคเพียรเอาใจใส่กระทำจริงถ้าจะพูดถึงโพธิปักเคียธรรมนะมันก็มีอย่างนั้นนวิสาขาก็ถาม่าค้าแต่พระแม่เจ้าก็สังขารมีเท่าไหร่ตอนนี้ถามไปถึงสังขารนะธรรมทินารรนาภิกษุณีก็ตอบว่าดูกรวิสาขาผู้มีอายุสังขารเหล่านี้มีสามประการคือ กายสังขารวจีสังขารจิตสังขารฟังดูคำว่าสังขารเนี่ยจะเข้าใจดีเราผ่านคำว่าสังขารมาหลายทีแล้วนวิสาขาก็ถามต่อไปอีข้าแต่พระแม่เจ้ากกายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรจิตสังขารเป็นอย่างไรธรรมทินนาภิกษุณีก็ตอบว่าดูกระวิสาขาผู้มีอายุลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นกายสังขาร วิตกและวิจารเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นจิตสังขารเหสัญญาและเวทนาเนี่เป็นจิตสังขารเนี่ย น, นี่ถ้าเขาใจดีเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าตัวสภาพนอกจริงๆนั่นก็คือลมหายใจในกายสภาพกลางๆนั่นคือความเป็นตัวบทบาทการงานอยู่ คือวิตกวิจารนั่นเป็นวระจีสังขารเพราะฉัจีสังขานี้ไม่จะ่คำพูดแล้วนะใช่ไหมวระจีสังขานไม่จะ่คำพูดวิตกและวิจารเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขารไม่ได้หมายความว่าดับเวทนาดับสัญญาแต่จิตตสังขานี่มีอาการที่ซ้อนเชิงมีอภิปมทยัง มีธรรมะ ส, สมาทหั่งวิโมอจะยังนี่เป็นจิตสังขารต้องรู้จักสังขารธรรมพวกนี้นีน่จิตสังขารนายนสาขาก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระแมเจ้าก็เหตุใดลมหายใจออกลมหายใจเข้าจึงเป็นกายสังขารวิตกและวิจารณ์จึงเป็นวิจิสังขารสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตสังขาร ธรรมทินนาภิกษุณีก็ตอบว่าดูกระวิดูกระวิสวิสาขผู้มีอายุลมหายใจออกลมหายใจเข้าเหล่านี้เป็นธรรมะมีในกายเนื่องด้วยกายฉะนั้นลมหายใจออกลมหายใจเข้าจึงเป็นกายสังขารลมหายใจออกแลมหายใจเข้าเรามีในกายคือกายเรามีลมหายใจออกก็ยังมีอยู่แล้วก็เนื่องเนื่องในกาย เนื่อง ต, อต่อต่อเนื่องอยู่บุคคลย่อมตรึกย่อมตรองก่อนก่อนจึงเปล่งวาจาเห็นไหมบุคคลย่อมตรึกย่อมตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกวิจารจึงเป็นวจีสังขารชัดไหมนะเพราะงั้นอย่าไปพาเสื้อนะวาจาย่อมดับอุ๊บ การนึงแล้วจะไปพาซื่ออย่า ง, ง, น, นะางนั้นนะเพราะฉะนั้นดับที่ดับที่สังขารวจีสังขาร น, นะดูที่วจีนะเพราะฉะนั้นความตรึกความตรองมีอะไรเข้าไปสังขารซ่อนอยู่ในความตรึกความตรองอยู่ในวิตกอยู่ในวิจารณ์มีอะไรเข้าไปสังขารเราต้องการความสังขารที่เป็นบุญความสังขารที่สะอาดคิดนึกได้สังขารคือความ ที่จะปรุงแต่คิดนึกมีเรื่องมีราวอะไรได้แต่ละดับเรื่องไหนที่มันไม่ใช่เรื่องที่ควรมีเป็นอกุศลก็ดับไปสัญญาและเวทนาเป็นธรรมะมีในจิตเนื่องด้วยจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตสังขารสัญญาเวทนานี่มีในจิตเนื่องด้วยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตสังขารเมื่อเรารู้เท่าทันสังขารแล้วก็รู้จักว่าเราจะดับอะไรสังขารอะไรมาสังขารอะไรนะอาลรนี่ไม่ต้องขยายความมากเพระนี่ประมาทแล้วถ้าคืนมาปนพุ่นมุ่นพูดกระทางออกมาหาของอยากอีกประเด็นกวนอันนี้ต่อไปอีกอันหนึ่งคำว่า อันนี้ข้อ222อันนี้ไม่บอกว่ามาจากข้ออะไรคําว่าด้วยการระ ง, งับสังขารสามขยายความต่อไปอีกนะโดยการระงับสังขารสามความว่าด้วยการระ ง, งับสังข า, า, า, า ร, รงงา3เป็นฉไหนวิตกวิจารณ์ เป็นวจีสังขารของท่านผู้เข้าทุติยฌานระงับไปนะวิตกวิจารเป็นวจีสังขารของท่านผู้เข้าทุติยฌานระ <Real> <ate> งับไปลมอัดซ า, าสะปัสสะสะเป็นกายสังขารของท่านผู้เข้าจตุทะฌานระงับไปอันนี้ไปเอาอัดซาสะลมอัดซาสะปัสสะสะระงับในเข้า จ, จตุทะฌานอย่างที่เราอ่านมาแล้วจากสูตรอานาปันนะไม่ใช่จาก ระหโคตสูตรนะเป็นการสังขารของท่านผู้เข้าจตุตฌานระงับไปสัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขารของท่านผู้เข้าสัญญาเวทยิจ ต, ตานิโรธระงับไปด้วยการระงับสังขารสามเหล่านีนะ้นี่เป็นการระงับสามนะทีนี้เราก็อ่านมาแล้วเราก็ศึกษามาแล้วการระงับพวกนี้อัศสะปัสสะคือกาย คือกายสังขารพอจะเข้าไปหารนามเข้าไปหาไม่ใช่กายสังขารเข้าไปหาจิตเราก็เรารู้แล้วว่าระวางจิตเื้อระ ง, งับดึงกายแล้วก็ไปหาจิตทีนี้จิตไปอยู่ที่เวทนาสัญญาสัญญาและเวทนาเป็นจิตสังขารและอะไรเข้าไปสังขารอกุศลได้จะไปสังขารเราก็ต้องรู้จนสุดท้ายก็ระ ง, งับสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นทุจริตอะไรต่างๆนานาได้ทั้งหมด เกี่วยว่าการระงับสุดท้ายนะทีนี้ก็ลองฟังต่อไปอีกในยะที่ละเอียดซึ้งกันไปอีกถึงว่ากายและนามรูปนามอะไรกี่บุคคลย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมศึกษาว่ากายย่อมศึกษากายคำว่ากายคในคำว่ากายโยมีสอง กายหรือกายโยนี่มีสองคือนามกายหนึ่งรู ป, ปกายหนึ่งนามกายเป็นชไหนเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการเป็นนามด้วยเป็นนามกายด้วยและท่านกล่าวจิตสังขารว่าจิตสังขารว่านี้ว่าเป็นนามกาย จิตตสักขานก็เป็นนามกายรูปกายเป็นชไหนมหาภูตรูปสรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่มันมีสองอย่างมหาภูตรูปสนั่นเป็นนามกายเพราะขอภัยเป็นรูปกายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ดินน้ำไฟลมรูปที่อาศัยมหาภูตรูป รูปที่อาศัยดินน้ำไฟลมอีกทีหนึ่งลมอัดสาส์ปะสาสานิมิตและท่านกล่าวว่ากายสังขารที่เนื่องกันนี่เป็นรูปกายบุคคลย่อมศึกษาว่าจักรู้แจ้งจิตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักรู้แจ้งจิตสังขารหายใจเข้าอย่างไรจิตสังขารเป็นชไหนะสัญญาและเวทนาด้วยสา ม, มารถ ลมหายใจออกยาวเป็นเจตสิกรมเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตสังขารสัญญาและเวทนาด้วยสามารถนี่หมายความว่าถ้าจะอธิบายกันแล้วก็ต้องขยายตัวอย่างมันตื้อนะตอนนี้เพราะว่าแม้แต่ผู้แปลนี่ก็แปลมาเอาพยัญชนะมาต่อกันเท่านั้นตอนนี้นี่ฟังแล้วโดวยภาษาน่ะ สัญญาและเวทนาด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวเป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องโดยจิตฟังไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะสัญญาและเวทนาด้วยสามารถหายใจเข้ายาวเป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องโดยจิตเป็นจิตสังขารสัญญาและเวทนาด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจออก ด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจเข้าเป็นเจตสิกฟังแล้วก็จะต้องทำเหล่านี้เนื่องโดยจิตเป็นจิตสังขารเป็นจิตสังขารด้วยสามารถนี้เราจะต้องฝึกให้เกิดสภาพพวกนั้น แล้วก็เป็นผู้รู้มีการตรึกการตรองการสัญญากําหนดรู้เข้าไปทั้งนั้นแหละนะสัญญาด้วยและเวทนาด้วยสามารถจะต้องซับซับทั้งกําหนดรู้นี่คือสัญญาเวทนานี่คือตัวซับอารมณ์เราเรียนสมาธิสี่มาเมื่อกี้นี่เองสมาธิสี่ที่จะต้องเอาเวทนานําเอาสัญญานาเมื่อกี้เนี่ย ข้อที่สมาธิที่หนึ่งเป็นการสงบประนับทิฏฐธรรมศขวิหารสมาธิภาวนาอย่างที่สองคือสภาพที่เอาสัญญานำกำหนดรู้ะจะเป็นผู้มีสติจะเป็นผู้มีสัญญาทัศนะในความฉลาดสมาธิภาวนาอย่างที่สามเอาเวทนานำซับอารมณ์จะเป็นผู้ได้รับความรู้สึกเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใด ฝึกฝนด้วยสามารถใช้สัญญาก็เป็นสัญญาที่เชี่ยวชาญใช้เวทนาหรือว่ารับซาบเวทนาทำความเวทนาให้เกิดก็เป็นผู้ที่จะสามารถมีความเชี่ยวชาญสามารถที่จะรู้แจ้งในเวทนารู้แจ้งหรือว่าเห็นประสิทธิภาพของสัญญามันจะเกิดทั้งปัญญายาณจะเกิดทั้งการรับรู้อย่าง จริงจังอย่างรู้แจ้งนะด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งเพราะเขาจะรู้แจ้งรู้แจ้งสุขหายใจเข้ารู้แจ้งสุขหายใจออกการรู้การแจ้งชัด่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเจตสิกเป็นปัญญาเจตสิกนะและเราก็จะรู้ด้วยจิต เนื่องด้วยจิตอะไรมันเนื่องกันอยู่นะเป็นเจตสิกธรรมเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตจสังขา ร, รเพราะฉะนั้นมันเนื่องมันเกี่ยวกันอยู่แล้วเราจะรู้ขั้นตอนตอนก่อนตอนหลังตอนไหนที่มันก่อนมันหลังมันจะต่อเนื่องไปถ้าเรารู้แล้วเราก็วิจัยออกทั้งนั้นทั้งนั้นว่าอะไรมันสังขารสิ่งที่เป็นสังขารในเวทนาสิ่งที่สังขารในสัญญา ในขณะที่เรากำหนดรู้อะไรนี่นะถ้ามีความเป็นฉันทาคติความชอบมีโทสาคติความชังเข้าไปร่วมปรุงด้วยการสังขารนั้นสัญญากำหนดนั้นเอียงไม่จริงไม่ตรงถ้าเรารู้ว่ามีฉันทะมีราคะหรือมีโทสั มีโมหะมีความกลัวความเกรงอะไรก็แล้วแต่เข้าไปประสมสัญญานั้นก็ไม่เที่ยงไม่ใช่สัญญาสัญญานั้นก็ไม่ตรงสัญญานั้นก็ไม่ชัดเพรา ะ, ะเราก็จะต้องรู้ความเป็นสังขารในสัญญาด้วยว่าอะไรเข้าไปปรุงแต่งในสัญญามีอักขุศรเหล่านี้เข้าไปปรุงแต่งไม่โลภโกรดลงก็นั่นแหละตรงๆก็โลภโกรดลงอยาากลางละเอียดถ้าไม่มี สัญญานะั่นก็เป็นตัวสัญญาด้วยสามารถที่จะเข้าไปกาหนดรู้เวทนาความรู้สึกในความรู้สึกของเรามันมีสิ่งเหล่านี้ปนมมันมีความสิ่งสิ่งเหล่านี้มี ม, มีอารมณ์เป็นรสเป็นอัศวะทะเป็นรสนะรสสุขรสทุกข์หรือราไม่สุขไม่ทุกข์อย่างเดิอดเดอไม่สุขไม่ทุกข์อย่างที่วางปล่อยปล่อยเปล่าๆแทนที่จะพินิจแล้วพินิจอีก ให้แยกครยโยนิสมมนาสิการแล้วโยนิสมมนาสิการอีกเพราะฉะนั้นเวทนานี้เราได้พินิจลงไปจริงๆหรือเปล่าจนกระทั่งว่ามันมันว่างมันสะอาดอุเบกขาที่วางเฉยๆนั้เป็นลักษณะที่ตื้นๆค่อยๆไม่สามารถที่จะทำให้ถึงขั้นอาสวะไม่สามารถที่จะแข็งแรงด้วยไม่ตั้งมั่นด้วย แต่ถ้าเผื่อว่าอุเบกขาอย่างที่ร้รัฐภาคเพียรอธิบายกันอยู่แล้วๆเล่าเนี่ยมันไม่มีภาษาที่มากกว่านี้แล้วเราทําจิตให้ถึงขั้นอุเบกขาแบบชาแนลวิเคราะห์วิจัยมีวิตรวิจารจนกระทั่งรู้กิเลสกําจัดกิเลสออกกว้างกิเลสออกว้างนิวรต่างๆออกซ้อนแล้วซ้อนเล่าหยาบกลางละเอียดซ้าๆซ้อนๆมีพินิจแล้วพินิจเล่าความจริงตามความเป็นจริงจน สังขาร น, นั้นไม่มีอกุศลอะไรเลยกูจะสังขารเร็วเท่าไหร่ก็ได้เท่านี้พระพุทธเจ้านี่สังขารเก่งเรียกว่าอิธาพิสังขารสังขารอย่างมีฤทธิ์อิธาพิสังขารท่านใช้อะไรก็ใช้อิธาพิสังขารเรื่อยอะ่ะจิตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างไรเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามาด้วยสามารถลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมัน่นจิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นสติสัมปชัญญะในบอกแล้วเหมือนสมาธิในประเภทที่สจิตจะตั้งมัน่นไอ้สติจะตั้งมัน่นสติสแข็งแรงย่อมปรากฏด้วยสตินั้นเมื่อมีสติก็แข็งแรงสัญญากับทางานได้ดีเพราะ ปัญญามันดียานทัศนมันดีเมื่อเราภาคเพียนสร้างเวทนาให้แข็งแรงเวทนานะรับรู้สึกได้ดีสติก็ดีก็จะเกิดทั้งยานเกิดทั้งสติร่วมกันทำงานเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมัน่นจิตจสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยยานนั้น มีสติมีญาณกันอยู่ตลอดกาละนานก็ตรวจตราอ่านรู้ถ้าเราลืมตามันก็ยิงยากหลับตามันก็ง่ายหน่อยเสร็จแล้วเราก็ฝึกไปจนกระทั่งใช้สลับกันไปสลับกันมามันก็จะทำให้เราแข็งแรงทำให้เรามีทั้งสติและญาณเมื่อทำให้แจ้งซึ่งท ร, รมาที่ควรทาให้แจ้งก็คือทำให้เกิดสภาพขจัดออกเพ่งพินิษเพ่งเผา ก็คือเพ่งแล้วก็พินิจตรวจทําให้แจ้งทําให้เห็นว่าหมดแล้วนั้นในจิตไม่เจโตปริยานเจโตปริยานสิบหกจิตจสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏจิตจสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างนี้นนนทำเวทนาทําความรู้สึกรับรู้ความรู้สึกรับรู้อารมณ์สัญญากําหนดพินิจ ชอนชัยลงไปว่าในอารมณ์นี้มีอะไรสังขารในอารมณ์นี้มีอะไรสังขารแม้ในสัญญาสัญญาในสัญญาเองมีอะไรเข้าไปสังขารเข้าไปปรุงเมื่อสัญญาไม่มีอะไรไปสังขารก่อนอื่นแล้วก็เอาสัญญามาใช้ร่วมกับเวทนาแล้วจะรู้ว่าเวทนามีอะไรเข้าไปสังขารสัญญาและเวทนาด้วยสามารถและลมหายใจออกยาวเป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องโดยจิตเป็นจิตสังขารบุคคลระงับ คือดับสงบจิตสังขารเหล่านั้นศึกษาอยู่สัญญาและเวทนาด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวเป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตสังขารบุคคลระงับคือดับสงบจิตสังขารเหล่านั้นศึกษาอยู่สัญญาและเวทนาด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งจิตสังขารหายใจเข้า ด้วยสามารถด้วยความเป็นผู้รู้แจ้งจิตสังขารหายใจออกเป็นเจตสิกทำเหล่านี้เนื่องโดยจิตเป็นจิตสังขารบุคคลระงับคือดับสงบจิตสังขารเหล่านี้ศึกษาอยู่เวทนาด้วยสามารถความเป็นผู้ระงับจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าปรากฏสติเป็นอนุ ป, ปัสนายานมีคำว่าอนุ ป, ปัสนา คำว่าอนุปัสนาในหมายความว่าการไตร่ตรองการสังเกตเห็นอนุปัสนาเนี่ยหมายความว่าการตามสังเกตตามไตรตรองตรวจตราอยู่ทีเดียวอนุปัสนาถ้าเป็นภาษาบาลีเขาพันเป็นอนุปัตสีนี่แปลว่าผู้สังเกตเห็นผู้สังเกตเห็นหรือผู้พิจารณาเห็นส่วนถ้าอนุปัสนาก็เป็นตัว บทบาทของการสังเกตการสังเกตเห็นการไตรตรองอยู่สติเป็นอนุปัชนาญาณเวทนาปรากฏเวทนาปรากฏนี่หมายว่าของเรานี่แหละเวทนาของเราเรารู้สึกของเราเรารับทราบของเรามันกับปรากฏเป็นของเราเพราะเรามีสัญญาซ่อนอยู่ในเวทนาทำการอ่านรู้กาหนดรู้กันอยู่ในนั้นฟังไหวไหม นะมันรอบเชิงซ้อนสอนนะสัญญาทํางานอยู่กับเวทนากํนะาหนดรู้กําหนดรู้กันอยู่นั่นนะ่ะอา่านให้ชัดกําหนดให้ชัดพินิษฐ์ไต่ตรองอนุปัสนายานเกิดนะสติความระลึกรู้เต็มสติความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างตื่นตื่นสติเป็นอนุปัสนาเป็นการ เห็นสังเกตเห็นรู้เห็นไม่ใช่หลับไม่ใช่ดับเลยตื่นสตินี่มีสตินี่ไม่ใช่ตักดับนะสติเป็นอนุปัสนาเวทนาปรากฏเพราะเหตุดังนี้ท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี่คือเวทนาในเวทนานี่คือการพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายชัดเจนที่สุด ที่ท่านพูดกันในสมัยนั้นที่ท่านมีภาษาพูดในสมัยนั้นถ้าไม่มีภาษาเหมือนสมัยนี้เราหรอกภาษาสมัยของเรานี้มีโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะมันมีทั้งสแลงมีทั้งอะไรอะไรด้วยภาษามันเจริญงอกงามต้องพดเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ทำไมนั้นมีภาษาเท่านี้พูดเท่านี้ท่านเข้าใจกันแล้ว สมัยนี้อาตมามาขยายขนาดนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ขยายไปแล้วขยายไปอีกก็ยังไม่เข้าใจอยู่ขยายแล้วก็ต้องสรุปไม่สรุปมันก็ไม่เข้าเป้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้เวทนาในเวทนามันก็จะต้องถึงขนาดอย่างนี้แหละสุดท้ายเราจะต้องรู้สภาพว่าสัญญาคืออะไรเวทนาคืออะไร เพราะฉะนั้นในการล้างสิ่งที่เข้าไปสังขารจิตสังขารทั้งหลายและเนี่ยเจตสิกทั้งหลายก็คือจิตนั่นแหละมันเข้าไปสังขารในเวทนาเข้าไปสังขารในสัญญาเข้าไปสังขารในสังขารเองในการปรุงอยู่นี่มีอกุศลเข้าไปสังขารไหมต้องชัดเจนว่าเราจะดับอะไรเราจะทําลายอะไรเราจะขจัดอะไรออกให้ไม่มีนิดหนึ่งน้อยนึงไม่มีเนี่ยจะเอาอะไรออก วิญญาณนธาตมีกิจเจตสิกมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาสังขานี่เป็นเจตสิกสามเจตสิกใหญ่นเป็นเจตสิกใหญ่ น, นี่ไม่ไหวแล้วร้องออกมาอยากให้แฟดับจังฮ่วงนอนเอาละเริ่มต้นเรียนสมาธิขั้นสมาธิมันก็อย่างนี้แหละ อตาตมาก็เข้าใจก็รู้นะว่ามันยากนะมันยากอตาตมาจะถ้าจะพูดภาษามากกว่านี้นะเพราะคุณยิ่งจะเมาแล้วมันจะออกเนื้ออกจากเนื้อหาเป้าหมายตัวจิตเจตสิกตัวปรมัตเพระาะฉะนักใครจะมีไม่มีสภาวะเลยนะวิเคราะห์ไม่ออกเลยว่ารูปนามขันห้าคืออะไรเพราะฉะนั้นจะไม่รู้จักจะฟังไม่รู้เรื่อง มันต้องว่ารู้ว่ารูปน้ำขันห้าคืออะไรมันต้องรู้ว่ารูปคือสิ่งที่ถูกรู้และขณะนี้ไม่ใช่เป็นรูปหยาบแล้วขนาดเริ่มต้นเอาแค่ลมหายใจเข้าออกเป็นกายแล้ ว, ลวมันละเอียดขนาดไหนแล้วไม่เอาดินน้ําไฟลมที่มันปรุงแต่งไอแทงนี้ไว้เป็นกายแล้วนะไล่ไปตั้งต้นนี่กายนี่คือลมหายใจเข้าออกแค่นั้นนะที่เนื่องเกี่ยวกับการต่อเนื่องกันอยู่กายสังขาร เราจะต้องไปถึงจิตสังขารเนี่ยหมายถึงเวทนาสัญญาเวทนาสัญญาจะเป็นเป้าหลักจุดลึกแล้วเวทนาสัญญาคําว่าสังขารนี่คือสิ่งที่มันจะต้องคิดต้องนึกต้องกรุ้มต้องผสมผสมอยู่การรวมกันอยู่นั่นแหละสังขารจะเรียกกายก็ได้จะเรียกสังขารก็ได้เป็นซิมณิมกายก็คือสังขาร ที่เราไปรู้กำหนดว่านี่คือลมหายใจตัวนั้นะคือการคือการกำลังใช้สัญญาเจตสิกสัญญาเจตสิกเป็นตัวกำหนดกำหนดรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดรู้ว่ายาวกำหนดรู้ว่าสั้นนั่นคือตัวกำหนดรู้นั่นคือตัวเจตสิกของเราเรียนรู้อยู่เรียนรู้อาการที่เรียนรู้ าการเรียนรู้แล้วมันก็มาปรุงรู้การมาปรุงรู้ว่าอ๋ออันนี้คือยาวอันนี้คือสั้นอันนี้คือออกอันนี้คือเข้านั่นแหละเราเรียกว่าการตรึกการตรองการคิดการตรึกการตรองการคิดอ๋อนเขานี่ออกนี่สั้นนี่ยาวนี่ลมหายใจใช้สัญญาอยู่ ทีนี้ในขณะที่เราทําอยู่อย่างนี้ถ้าเผื่อว่าจิตของเราเป็นหนึ่งจิตของเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งคำว่าอารมณ์เข้าไปเมื่อไหรน่นี่มันจะเข้าไปหาคําว่าเวทนาการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่นี้คือการสัญญาคือสภาพสัญญาคือตัวสัญญาทํางาน ทีนี้การกำหนดรู้อารมณ์อีกทีหนึง่งกำหนดรู้ว่าเมื่อจิตของเราเป็นหนึ่งการตรวจตราไตรตรองเป็นอนุ ป, ปัสนายานการสังเกตเห็นการตรวจตราไตรตรองอยู่เนี่ยอนุ ป, ปัสนายาน ตรวจตาตราตรองอารมณ์เมื่อเราเองไม่มีนิวรณ์ตรวจตาตจตรองว่านิวรณ์เป็นไงกำหนดรู้นิวรณ์กำหนดรู้ว่าอาการของกามเป็นยังไงอาการของพยาบาทเป็นยังไงอาการของถินมิทะไ อ, อตัวสําคัญในถินมิทะนี่แหละบอกแล้วว่าเวลานั่งหลับตาเนี่ยวังถินมิทากับอุทจจะเวลาลืมตาให้ระวังกามกับพยาบาทในขณะลืมตาในขณะที่เรามีอิริยาบท ปกติชีวิตกามกับพยาบาทเป็นตัวร้ายในเวลานั่งหลับตาสมาธิหลับตาเนี่ยินามิทะกับอุทธจักเป็นตัวร้ายแล้วเมื่อเราตรวจตราไม่มีทินามิทะกษ์ไม่มีอุทจักกุกุจกักใช้สัญญานี่แหละกาหนดซ่อนตัวสําคัญที่ตัวจะรู้ลงไปจะตรวจอนุปัฏนาานก็ต้องมีสัญญาร่วมด้วยทํางาน กำหนดรู้ลงไปจนกระทั่งซับซ้ากไปถึงอารมณ์เมื่อมันตรวจแล้วไม่มีอาการนิวรไม่มีสภาพนิมิตของนิวร์ไม่มีกาไม่มีพยาบาทไม่มีอุทินมิทะไม่มีความง่วงเหงาเศร้าซึมมีสติเต็มรอ้อยมีความตื่นเต็มมีความสดอยู่ นั่นและเราทราบทรบอารมณ์นั้นดูน่ะกำลังกาหนดรู้เวทนากาหนดรู้อารมณ์ของเวทนาว่าเป็นอารมณ์ยังไงเมื่อกำหนดรู้ว่าเราได้ขจัดนะระ ง, งับหรือขจัดไม่มีกามพยาบาทไม่มีอาการอารมณ์ไม่มีตัวที่เขาไปผสมเป็นอกุศลหรือเป็นสภาพทีนมิทะ สภาพที่ฟุ้งซ่านมันอยู่กับการรู้หนึ่งเดียวนั่นแหละมาเห็นชัดว่าเวทนาหรืออารมณ์ของเราเป็นอย่างไรว่าสงบเป็นอย่างไรว่ารังนับเป็นอย่างไรว่าว่างเป็นอย่างไรว่าโปร่งเป็นอย่างไรว่าเบาสบายนั่นแหละคือการสับสาบอารมณ์เวทนาโดยที่ไม่มีกิเลสนิวรนอะไรแล้ว มันจะเป็นยังไงอ่านดูสังเกตดูให้เกิดอนุปัตสนาญาณในจิตที่จริงในขณะที่กำหนดรู้อยู่มันก็เป็นสังขารหนึ่งเหมือนกันจะเรียกว่าสังขารมันก็สังขารจะเรียกว่าสัญญากำหนดรู้มันก็กำหนดรู้มันมีอะไรไปปรุงร่วมหรือกำหนดรู้แล้ว เป็นสังขารคือกายคือการตั้งอยู่คือการประชุมอยู่ของนามธรรมาแต่เป็นจิตตสังขารแล้วตอนนี้เป็นจิตตสังขารแล้วมันมีอกุศสนไปสังขารร่วมด้วยไหมถ้าไม่มีร่วมด้วยมันก็คือตัวบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวทนาก็ดีตัวอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ว่างจากนิวรณ์ สัญญากำหนดรู้ในตัวสัญญาของมันเองก็ไม่มีอารมณ์ลําเอียงไม่ใช่ไม่มีอารมณ์ไม่มีตัวลําเอียงไม่มีตัวฉันทาโทสะโมหะหรือว่าไม่มีโลภะโทสะโมหะอะไรเข้าไปประกอบด้วยมันเป็นการกําหนดรู้อย่างตรงตรงจริงๆชัดชดกําหนดด้วยสัญญาบริสุทธิ์ ค ว, ความมีเวทนาก็รู้อารมณ์มีอารมณ์อันปลอดโปร่ปงแจม่มใสวางเบาง่ายสงบระงับจากกิเลสทั้งปวงสงบระงับจากอากุศลทั้งปวงสงบระงับจากโลกโกรธหลงอย่างหยาบกลางละเอียดขนาดไหนก็แล้วแต่อ่านออก กำหนดรู้ด้วยตัวเราฝึกให้เกิดยานรู้นะฝึกให้เกิดยานรู้อย่างนี้นะเป็นอาการของกามอย่าง น, นี้นะเป็นอาการของพยาบาทอย่างนี้เป็นอาการของถินมิทะอย่างนี้เป็นอาการของอุทจฉะภูกุจฉะมันไม่มีจริงๆคุณก็จะรู้ว่ามันไม่มีมันมีต้องพยายามกำหนดรู้ของเราแหละเราจะต้องฉลาดของเราเองต้องเกิดอนุ ป, ปัฏนานยานของเราเอง ถ้าไม่เกิดรู้ถ้าไม่เกิดญาณคืออนุปัสนาานหรือวิปัสนาานก็ได้เรียกว่าวิปัสนาญานก็ได้อนะอนุปัสนาานคือตามสังเกตเห็นการรู้การไตรตรองการสังเกตอ่านถ้าในจิตเราขณะนี้ขณะที่ทําขณะนี้นะมันไม่มีไม่ไ ม, ไมีไม่มีสภาพนิวรณ์เลย แล้วก็ซับทราบเวทนาซับทราบอารมณ์สิว่าอารมณ์มันเป็นยังไงที่จริงมันก็เป็นสังขารเป็นจิตสังขารนะเป็นจิตสังขารที่สุข เ, ขเวทนาที่จริงสุขอย่างโลกียะมันไม่มีแล้วมันว่างๆมันเป็นอุทุกขมสุข เ, ขเวทนาและแม้ที่สุดอย่างที่ได้อธิบายแล้วอุทุกขขมสุข เ, ขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเราก็จะไปติดไปหลงไปเสพ เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดนี่รันการไม่ได้มันเป็นอุปทานถ้าไปยุดช่วยเอาอยากได้แล้วก็จะมีอยู่แต่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้จึงปฏินิสัทขะสลัดคืนทำได้แล้วก็รู้แล้วสภาพอย่างนี้ก็เอามาใช้เวลาลืมตามีบทบาทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีผัสสะตาหูจมูกริ้นกายในอนาคตที่ไหนๆเราก็พยายามเราจะ ทำมากๆเราก็จะจำได้อ๋ออาการสภาพที่จิตมันว่างจากกิเลสเป็นอารมณ์อย่างนี้เป็นเวทนาอย่างนี้คุณก็มีตัวสัญญาที่ช่ำชองกำหนดรู้กำหนดอ่านฝึกอยู่ตลอดเวลาฝึกเวทนาฝึกสัญญาฝึกรู้เวทนาฝึกใช้สัญญากำหนดรู้ด้วยแลวเราก็จะเข้าใจชัดถึงสังขารเป็นจิตสังขารที่สะอาด เป็นจิตสังขารที่สะอาดเป็นองค์ประชุมที่สะอาดไม่มีอกุศลมันยิ่งจะรู้ดีมันจะเป็นญาณตัววิเศษเลยด้วซ้าสะอาดยิ่งสะอาดเท่าไรยิ่งรู้ดีแววไวผ่องใสมีปฏิพานดีเนี่พอเรานั่งทรเนี่มันยังไม่ช่ำชองมันยังไม่เป็นจะเห็นได้ว่ากิเลส ข, ของเรานี่มันมากโดยเฉพาะตัวทีนมิตะ กับฟุ้งซ่านแล้วนั่งหลับตาเนี่ยตัวฟุ้งซ่านกับตัวธินามิธะเนี่ยตัวเก่งเพราะฉะเวลาจิตของเรามันไม่เต็มรอยสติของไม่สติของเราไม่ดีสติสัพพัญญะของเรามันไม่แข็งแรงมันก็ไม่ได้รู้สึกอารมณ์อะไรได้จะอ่านอารมณ์ไม่ได้เรามีแต่หมู่ทูมนมองมืดมัวยานก็ไม่เกิด ความรู้แจ้งรู้จริงก็ไม่เกิดอารมณ์เป็นยังไงจะไปรู้อะไรได้จะไม่เข้าใจเวทนาจะไม่ใช้สัญญาไม่ได้ไม่มีริทไม่มีแรงจะใช้สัญญากําหนดรู้จะใช้ตัวที่รู้วให้มันรู้ไม่ได้หรากมันอ่อนแอไปหมดเลยมันจะต้องให้มีสติเต็มรู้ต้องให้แข็งแรงอย่าเพิ่งไปกลัวว่าจะไม่เข้าสู่ผวัา ในขณะที่อาตมาพูดเนี่ยคนที่เข้าฌานได้จริงๆฟังอาตมาพูดเนี่ยได้ยินตลอดเวลาเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ก็ได้ยินเสียงอาตมามันยายยังไงก็รู้อยู่แล้วเราก็จะอ่านความจริงออกด้วยพยายามอย่าให้มันหลีนะตื่นให้มันตื่นมานะเป็นใช้ได้แม้มันจะลืมตามลงโรงขึ้นมาก็ช่างมัน ถ้ามันเองหลับตาลงไปหรือว่าพอจะพยายามตั้งสติให้มันขึ้นมันไม่ขึ้นมันจะรีจะหลับอะไรสลัดสลัดเบาๆไม่ตื่นสลัดมันแรงๆอย่าให้มันรีมันหลับถ้ารีหลับไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วฝึกกันจนตายก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ฝึกการนั่งหลับเท่านั้นเองแล้วเก่งนะพวกฝึกนั่งหลับได้เนี่ยเก่ง เก่งอย่างนั้นนะนะเก่งอย่างนั่งหลับแต่ไม่ได้เก่งชานนะนั่งหลับเก่งแล้วหลอกกันเยอะด้วยในสายนั่งหลับตานี่หลอกกันเยอะที่จริงแล้วนั่งหลับเก่งแต่บอกว่าเข้าชาันนะเปล่าเลยไม่ได้เป็นชานจริงๆเลยแต่นั่งหลับนั่งหลับได้เก่งไม่โยกด้วยนะไม่โยกแต่ชนิดโยกเก่งก็มีอีกเหมือนกันโอ้โหแว่ง เก่งเลยนะนั่งไปได้ทั้งคืนน่ะแต่พวกนี้นะเมื่อยพวกนี้นะเพราะว่ามันออกกําลังมันเหมือนกับวิดนามพอว่าเลิกเราก็คลานเขามุ่งไปเลยเพราะงับการนั่งสมาธินำนี้อยู่สองอย่างนี่นั่งนี่ฝึกอยู่เนี่ยพวกนั่งสมาธินีมม่มีได้สองอย่างหนึ่งได้นั่งหลับเก่งนั่งหลับจริงๆนะไม่ได้เป็นฌานหรอก ไม่ได้เกิดเวทนาสัญญาอะไรที่แลคล้วคล่องว่องไวอะไรหรอกไม่อีกอันหนึ่งก็คือทําชานได้จริงๆรินั่งสมาธิหลับตาเนี่ยเกิดชานได้จริงๆริงส่วนพวกที่นั่งสมาธิหลับตาเนี่ยไม่ได้ชานหรอกได้นั่งหลับเก่งมีเยอะ เพราะง่ายที่นั่งหลับตาสายนั่งหลับตาเนี่ยถ้ามันเกิดฌานถึงจะเกิดการเรียนรู้ได้จริงๆริงเรียนรู้สภาพสัญญาเวทนาเรียนรู้ขันห้าเรียนรู้สภาพอารมณ์ที่มันเป็นฌานจะรู้ความสงบพระ ง, งับจะได้รับรสรสฌานเป็นรสสุขขวิหารธรรมเมื่อวิมีวิตกวิจารณปิติสุขได้ร ะ, ะงับความที่เคร่งคุมอาตมาเคยอธิบายแล้วว่าวิตตกวิจารณคือการเคร่งคุม เราลดความเคร่งคุมลงไปได้มันเป็นง่ายพอนั่งเป็นฌานมันก็เป็นการเป็นฌานโดยไม่ต้องเคร่งต้องคุมมันก็จะว่างเบาสบายถ้าคาเข้าคลองแล้วแทบจะไม่ต้องหลับตามันก็เป็นฌานหลับตาเข้าไปก็ยยิงไม่ต้องสัมผัสทางตาไม่ต้องมีรูปอะไรก็ยิ่งง่ายยิ่งเป็นฌานสบายเพราะว่าเราเพียงขจัดไม่ให้เกิดนิวรณ์เท่านั้น เป็นการเข้าไปอยู่ในกรอบอันหนึ่งเป็นวิธีการเข้าไปอยู่ในกรอบอันหนึ่งช่วคราวมือนก็เราหลบไอ้โจรเข้าไปอยู่ในบ้านหลบไอ้โจนไอ้โจนมันวิ่งไล่มากลัวเอามีดมาไล่แทงไล่ฟันเราก็ลบเข้าไปอยู่ในบ้านไอ้โจนเข้ามากลัวอะไรเราไม่ได้แล้วก็นั่งสบายอยู่ในบ้านเท่านั้นเองไอ้โจนมันเข้าไม่ได้เพราะบ้านเราแข็งแรงทําบ้านให้แข็งแรงคือทำที่ป้องกันไว้ข้างนอกให้แข็งแรง แล้วก็ลบ้าไปอยู่ในบ้านเท่านั้นนะ่มันยิ่งทบัทบทอยช่ำชองแล้วก็เข้าไปง่ายนั่งว่างสบายเป็นสุขวิหารธรรมซึ่งเป็นสมาธิภาวนาอันแรกอย่างนี้ชัดเจนทีนี้เราจะโน้มเน้นไปในทางใช้สัญญาหรือใช้เวทนานชัดละ่ะถ้าเน้นไปในสัญญามากก็จะเกิดญาณทัศนะเป็นสมาธิภาวนาแบบที่สอง ท่านเน้นไปในการใช้เวทนาใช้เวทนามากให้เวทนามากก็จะเกิดอะไรสติก็จะเกิดสติสัพพัญญะอย่างที่หนึ่งสมาธิอย่างที่หนึ่งก็จะต้องผ่านทั้งนั้นน่ยผ่านสมาธิอย่างที่หนึ่งสุขเวทนาไอสุขเทวทิฏฐะสุขในทิฏฐธรรมเนี่ยในสุขในปัจจุบัน มันจะว่างเป็นสุขบุปสมโสมสุขนะไม่ใช่สุขแบบแบบทุกโลกเสพสมจริงๆก็เสพสมชนิดหนึ่งเสพสมพบพบชาติมันเป็นพบพมันวังเสพสมผวังเข้าไปอยู่ในพบมันก็เป็นภาวะตัณหาชนิดหนึ่งทำาได้สำเร็จแต่ก็ได้ความไม่มีอะไรเข้ามายุ่ง ม, มากวนไม่มีโลกียะและก็ไม่มีนิวร อ, อะไรเข้ามากวน มันก็ว่างเป็นสุขสงบประนับอยู่เป็นพบเป็นเพราะวัฒนาติดเลยถ้าเผื่อว่าไม่รู้ทาได้แค่นี้ติดอยู่แค่นี้ในโลกยิ่งถ้าเราใช้สัญญาดีๆก็จะเกิดญาณทัศนะ์นะเพื่อความได้ญาณทัศนะ์ถ้าใช้เวทนาก็จะได้สติสัพพัญญะทีนี้ถ้าเผื่อว่าชอนชายรู้ทั้งสัญญาทั้งเวทนาใช้กันให้ละเอียดละออเมื่อเป็นฌานเป็นสุขขวิหารแลรวำอย่างนั้นแล้ว เราก็สามารถที่จะใช้สัญญาเวทนาของเราเป็นอย่างช่ำชอง ร, รู้รู้เวทนารู้อารมณ์รู้การกำหนดรู้รู้จักสังขารขจัดสังขารได้และสุดท้ายก็ไม่ติดไม่ยึดไม่มีอุปทานอยู่ในขันห้านี่แหละรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละชอนชยัยพินิย์ ตรวจสอบให้ลึกละเอียดไปเรื่อยๆถึงสิ้นอาสะวะได้เป็นสมาธิภาวนาแบบที่สี่สัญญาซ้อนสัญญาลงไปในเวทนาเวทนาอารมณ์รู้สึกในเวทนามีสัญญาอ่านเวทนากําหนดเวทนากําหนดรู้อารมณ์คาว่ากํากหนดรู้นั่นก็คือคําว่าสัญญานั่นแหละสัญญาในเวทนา เคทึกอ่านเวทนาในเวทนาได้ในความรู้สึกรู้สึกที่มีอารมณ์ที่มันปรุงร่วมอารมณ์เป็นรถแม้ที่สุดอารมณ์เป็นอุเบกขาเจตสิกเป็นจิตที่ปราศจากมันจะอุเบกขาอย่างที่อาตมาเคย อ, อธิบายเวลาเราวางเฉยได้นี่ไม่ใช่วางเฉยอย่างนี้หรือสลัดทิ้งหรือทําลืมทําไม่เอาทาน ปล่อยไม่ใช่แต่เราเฉยได้อย่างกระทบสัมผัสอยู่ระวางเฉยได้โดยที่จิตของเราไม่มีสังขารไม่มีการให้กิเลสนั้นอย่างที่เป็นโลกโลกเป็นโล ก, กียเป็นรสอร่อยสวยดีอร่อยดีเป็นรสชาติเป็นสภาพที่มันมีอาการของอัสาถะไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไปปรุงร่วมกระทบสัมผัสอยู่ก็เฉยวางอยู่เนี่ย อย่างนี้เป็นตัวแข็งแรงไม่ช่วยวางเฉยอย่างไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรใจวางปล่อยทิ้งหรือไม่ใช่ไม่ไ خر, ไมไงั้นก็ใช้คถาคถาว่าอะไรก็ Core, ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปล่อยวางอะไรเฉยไปทิ้งไม่ใช่แต่เราอ่านก็ไปหาสภาวะเลยให้สภาวะของจิตวิญญาณนี่เฉยให้จิตวิญญาณนี่วาง จิตวิญญาณที่มีอารมณ์นี่อารมณ์มันไม่มีฤทธิเดชของไอ้สิ่งที่จะเป็นโลกีนั้นเข้ามาแทรกเข้าไปได้ในอารมณ์เข้าไปในเวทนาเข้าไปสังขารในเจตสิก ข, ของเราในจิตของเรามันเข้าไปสังขารเข้าไปปรุงเข้าไปเป็นฤทธิเป็นเดชอะไรในตัวนั้นไม่ได้เลยนั่นเรียกว่าวางเฉยอย่างอุเบกขาบริสุทธิ์อยู่ เหมือนกับใบบอลเนี่ยเอาน้ามันลาดมันยังไงมันก็ไม่ซึมเข้าไปได้เลยอ่าประโยชาตาเอาน้ามันลาดยังไงมันก็ไม่ซึมเข้าไปหุ่มนาม้าหอน้าอยู่ยังไงก็ไม่ซึมเข้าไปนะเรียกว่าอุเบกขาวางเฉยจิตมันเฉยไม่ใช่เพราะทิ้งไม่ใช่เพราะไม่สัมผัสไม่ใช่เพราะไม่รู้มีสัญญาทำงานร่วมอยู่ด้วยกับเวทนาด้วย รู้แจ้งสัญญานั้นเป็นปัญญาหรือเป็นญาณทัศนวิเศษเอาด้วยซ้ํารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจทะลุโปรงอยู่ยังอยู่เนื้อมันเลยสิ่งเหล่านั้นไม่มีฤทธิ์เดชอะไรจริงเลยเบื้องต้นนี้พยายามอย่าให้หลับอย่าให้สติตกนี่เป็นบทแรกเลยนั่งหลับตานี่พอเรานี่มันมันกําลังติดอันนี้ติด อิทนอนทีนามิทาพวกเรานี่ไม่เก่งไม่ได้ขจัดทีนามิทานั่งสมาธินี่ขจัดทีนามิทะเนี่ยตัวร้ายแต่พวกเราไม่ค่อยได้ฝึกมันก็เลยเป็นมันถ้าเผื่อว่าพานั่งฝึกเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเงี้ยนั่งขจัดทีนามิทาน่ะจะจะฝึกได้ฝึกลายสักปสองปีสามปีนี่อย่างพวกสายเขาฝึกจริงๆรนี่นะมันก็สายอย่างสายธรรมกายเนี่ยนะจะเป็น จะได้อย่างสายธรรมการเนี่ยฝึกเพ่งให้มีลูกแก้วมีลูกแก้วลูกแก้วเป็นอย่างไรเขาจะมีลูกแก้วอยู่อย่างนั้นรอเวลาจนได้ไม่มันจะไม่หลับมันจะมาสนใจที่ลูกแก้วแล้วมันก็จะมี ม, มีนิมิตเพ่งลูกแก้วเพ่งพระพร ะ, พระแก้วที่เขาเอามาเป็นดวงพระจนกระทั่งเขาก็ปั้นรูปนิมิตนั่นเข้าไปเขาไปเพง่งเข้าไปเขาไ ป, าไปโดยใช้อุบายให้นอ ส่ก็ไปเจาะก็ไปในใจกลางเจาะก็เปในใจกลางให้ดิ่งมันก็จะแหลมลึกเข้าไปเรื่อยๆมีสติเพ่งเข้าไปเรื่อยๆเราไม่ใช้ขนาดนั้นเราก็ใช้ที่อุบายของลมหายใจนี่แหละมันจะรู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ข้างในเองที่จรงลมลมหายใจมันอยู่ข้างนอกแต่เราจะรู้สึกเองเพราะว่ามันเนื่องกันกายสังขารมันเนื่องกันลมหายใจมันเนื่องกับความรู้สึกมันเนื่องกับข้างในมัน เข้าไปข้างในก็รู้จะรู้สึกมันจะรับความต่อกระเทือนกันได้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นในความรู้สึกที่ต่อเนื่องกับลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันก็จะมีความรู้สึกลมหายใจออกลมหายใจเข้าอยู่จริงๆลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นมันไม่ได้ดับไปไหนหรอกมอกแล้วดับมันก็ตายเลมันไม่ตายแล้มันไม่ได้ดับแต่เราจะมีลมหายใจออกลมหายใจเข้า พอชาญสี่แล้วถึงขั้นวางเฉยแล้วไม่ต้องเกี่ยวหรอกชาญสี่ในหมายควาว่ามันแข็งแรงแล้วมันเป็นชาญจริงๆแล้วนะเป็นชาญหนึ่งมันก็เริ่มต้นเป็นชาญที่ค่อยๆเป็นขึ้นมาพอเป็นชาญที่สองแข็งแรงขึ้นเป็นชาญที่สามันยิ่งแข็งแรงพอชานที่สี่ไม่ต้องไปมีกระสินรองรับก็ได้จึงเรียกว่าลมอัศสะปัสส ะ, สะไม่มีหรือหายไปอะ เพ่งกันไปที่สัญญาเวทนาเท่านั้นพิจารณาอยู่ที่หรือว่าใช้สัญญาใช้เวทนาเท่านั้นแม้แต่ในสัญญาในเวทนาก็สุดท้ายจะเป็นสัญญาเวทยิตันิโรธเขายังบอกว่าสัญญาเวทนาดับไปเลยซวยซ้ำไม่ใช่แต่แค่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าดับแม้แต่สัญญาและเวทนาเขายังใช้ภาษาว่าสัญญาและเวทนาดับสัญญาจะเวทนาจะนิรุธาโหติ กำหนดรู้ยิ่งชัดความรู้สึกอารมณ์ยิ่งชัดแต่ไม่มีอกุศลสัญญาอากุศลเวทนาไม่มีสิ่งที่ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอันนั้นแหละเรากําหนดได้รู้ได้ว่าขจัดได้ว่าไม่มีแต่ยิ่งมีขันธ์ห้าที่บริสุทธิ์เวทนาบริสุทธิ์สัญญาบริสุทธิสังขารบริสุทธิ์หรือเป็นกุศล สังขารที่เป็นกุศลเป็นบุญซะด้ซ้ำมีวิญญาณอันบริสุทธิ์เป็นวิญญาณพระอริยเจ้าเลยทีเดียวแหละเอชักทรงตัวดีกว่าตอนแรกๆที่นั่งไงชักทรงตัวดีกว่าตอนแรกๆกันตอนแรกๆเนี่โอ้โหก็ผุบก็ผับกันเต็มไปหมดทรงตัวนีรับได้แก่งเรื่องว่าเป็นชาญ ชักนั่งหลับตาได้แล้วตอนนี้ต่ว่านั่งบอกแล้วว่าหลับตาเนี่ยมันมีสองอย่างหลับได้เก่งนั่งหลับได้เก่งนิ่งไม่ขมุกขผับโดยเหมือนกันนะกับเป็นชาญระวังเวลาแม้เราไม่ขมุกขมับแล้วลราไม่ผ ง, งกไม่โยกไปโยกมาแล้วก็ตามก็จะต้องปรับในจิตให้ได้ว่าจะต้องเป็นชานไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่หลับไม่ใช่รีมีจิตใสแจ่มใสมีสติเต็ม เราเข้าไปเรียนรู้สัญญาเวทนาถ้าไม่เรียนรู้สัญญาเวทนาแล้วคุณอย่างผู้ที่มาฟังบอกว่าโอ้ฟังแล้วง่วงเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าอาการสัญญาคืออะไรสภาพของสัญญาคืออะไรสภาพเวทนาคืออะไรหรือสังขารคืออะไรเมื่อไม่รู้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ปรมาจารยไม่รู้ทางที่จะไปนิพพานแน่นอนถ้าไม่รู้สัญญาเวทนาไม่รู้สังขารจริงๆแล้วก็ไม่ได้ ไม่มีทางขนาดนั่งนิ่งๆนี่ยังอ่านสัญญาไม่ออกรู้สภาพของสภาวะสัญญาสภาวะของเวทนาไม่เป็นแล้วจะไปเคลื่อนไหวตาหูจมูกริ้นกายเห็นรูปแล้วจะไปจิตจะเกิดยานใจะจะเกิดชานลืมตาเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางเพราะฉะนั้นต้องรู้ตั้งแต่นิ่งๆแค่นั่งเนี่ยให้รู้ให้ได้ว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าสัญญาใช้สัญญาเป็นอย่างนี้เรียกว่าเวทนา กำหนดเวทนาเป็นแล้วก็ใช้สัญญาลงไปในเวทนาอีกจึงจะเรียกว่าเวทนาในเวทนากําหนดรู้ลงไปในเวทนาว่าเอออารมณ์รู้สึกเป็นอย่างนี้นะรู้สึกว่ามันมี อ, อกุศลไหมรู้สึกว่าว่างรู้สึกว่ามีการปรุงแต่งมีรสอะไรอะไรอยู่ไหมก็วิจัยเข้าไปอีกสังเกตตรวจตราไตรตรอง พินิษพิจารณาเขาไปอีกให้ลึกๆึกึกลงไปทาไมเพ่งพินิษเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรืมีทางสิ้นอาสวะอย่าอันหน่อยไปแล้วก็เฉยอุเบขาเฉยเรื่อยก็ไม่ได้มีแต่อุเบขานิมิตก็ไม่ได้ต้องตรวจตราไตรตรองมีสัญญากำหนดซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนซ้นซ้อนอ่า้อไปเรื่อยอ้าวแล้หมดเวลาแล้วนะเลยเวลาไปห้ของนาทีว่าจะหมดจะยึดเรือกัน45ห้า อก่อนจะลงไปนี่ก็มีคนดีกาขึ้นมาว่ามีคนใหม่หลายคนไปทานน้ำเต้าหู้ที่ตลาดก็ขอแจ้งไม่พูดอะไรมากประกาศไปให้นกไห้กาได้ยินเท่านั้นว่ามีคนใหม่หลายคนมันจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะไปโทษแต่คนใหม่ นะมีคนก็แล้วกันมีคนมางานนี้นะไปกินน้ำเต้าหู้ที่ตลาดเนาะแจ้งคนนี้นะตอนกลางวันหรือกลางไหนก็แล้วแต่เถอะนอกเวลาก็มีให้กินน้ำเต้าหู้น้ำอ้อยอะไรก็ฮ่ า, าไมาให้กินอยู่ที่นี่เสร็จแล้วเราไปกินพิเศษนั่นแหละมันอย่างว่าเลยเอา อาตมาก็ถึงบอกไงว่าแม้แต่เด็กก็าตามมางานนี้เจ็วันนี่นะไม่ได้กินตามที่เราอยากกินนะนะรับรองไม่ตายตายมาเอาตังค์ไปนี่มีการประกันชีวิตด้วยนะแต่ตายด้วยเรื่องไม่ให้ใหกินมื้อเดียวอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไปตายเพราะเหตุอื่นนะเป็นลมเป็นแรงเป็นโรคนั่นโรคนี่ปฏิัติตวิกเหตุน่นนี่อะไรตายแล้วก็มาโทษอา ต, ตมาไม่ได้นะไม่มีเงินจ่ายนะประกันชีวิตเนี้ <c oughs> Ooh ooh ooh ooh o o